เพื่อที่จะทำให้จิตนั้นมีกําลังค่ะวันนี้เราก็มาพบกับพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุนโนในช่วงเวลาของเปิดทําที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวชนะกันต่อเลยค่ะนวสการคะท่านคะอาจารย์ฟอในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิในตอนแรกของรายการเนี่ยคุณยมติวท่านผู้ฟัง <c oughs> ที่นั่งฟังไปแล้วก็สังเกตลมหายใจไปด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากในะตอนเช้าๆหรือว่าช่วงเวลาไหนของวันก็ได้เราเราทำอย่างนี้ <c oughs> เป็นเหมือนกับการฝึกที่เป็นรูปแบบ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 อ่คำคําถามหลังนี้ท่านชอบนะคะหรือจิตใจเราไม่เข้ากับธรรมะอืมอ่าค่ะเอาไปทีละขั้นตอนขอให้ท่านช่วยชีย้แจงแล้วก็แนะนําเลยค่ะอัะนดับแรกของคุณเจ้าของคําถามเนี่ยนะยต้องตอบะนะคุณยศกรต้องตอบว่าอถ้าเรานิ่งอยู่แค่สองชั่วโมงสองนาทีเนี่ยจิตเราก็ยังเป็นสมาธิอยู่ประมาณสองนาทีนะอันนี้ดีมากๆเลยอ่าดีแล้วเป็นสมาธิอยู่เป็นสมาธิอยู่สองนาทีก็ดีมากๆแล้วเราต้องมองโลกในแง่เดียวนี้อันที่หนึ่ง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 สาิวินาทีก็เอานั้นหนึ่งนาทีก็ยิ่งดีสองนาทีได้นี่ดีมากๆเลย <c oughs> <c oughs> น ะ, ะ, ะแปลว่าไม่ต้องตกใจไม่ใช่ว่าห่วงการงานรับผิดชอบหรือจิตไม่เข้ากับธรรมะมซึ่งข้อหาหลังนี่มันร้ายแรงมากนะคะจิตไม่เข้ากับธรรมะมเหีเจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยมันเกิดที่จิตธรรมะเนี่ยมาจากจิตเพราะฉะนั้นจิตทุกดวงเนี่ยไม่ว่าจิตของจะเป็นนักฆาตกรระดับอาชญากรระดับโลกหรือว่าเป็นนักบวชนักบุญเนี่ยก็มีต้องมีธรรมะได้ทั้งนั้น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 อย่างคุณคยศพรยศกรที่ถามมากรคุณคยศกรที่ถามคําถามมาเนี่ยดีมากๆเพราะว่าเราเจออุปสรรคเนี่ยเจออุปสรรคนี้เราอย่าทอ้อให้เราทําต่อไปสองนาทีก็ดีแล้วนะเราทําไปทําไปเนี่ยเราถึงจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตรงนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นได้คุณไม่เคยปฏิบัติมาก่อนไม่เคยฝึกมาก่อนอยู่ๆฉันจะนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงโออให้มันแบบห่อเขินเดินอากาศได้เลยโอ้โหมันไม่ได้หรอกยศกรมันยากนะ ใช่ค่ ะ, คะท่านพิบูลค่อคือฟังท่านเนี่ยเหมือนกับว่าได้สองนาทีก็ดีแล้วถ้นานั่งต่อไปเรื่อยๆจะสามารถมีสมาธิได้นานกว่าสองนาทีแล้วจึงจะฟุ้งซ่านสักครั้งหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ใเป็นไปได้และมันมีโอกาสเป็นไปในลักษณะนี้ไหมคะเหมือนเล่นกอล์ฟ ค, ค่ะบางคนเขาบอกว่าอช่วงแรกมันก็จะดีไปสักพักหนึ่งเสร็จแล้ววงสวิงมันหายอืม มันจะต้องกลับมาหาวงสวิงของตัวเองคือเหมือนกับว่ามันขึ้นขึ้นลงลงเป็นเช่นนี้เสมอถ้าหากอ่อนซ้อมค่ะเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้เนี่ยหมายความว่าในกรณีบางคนอย่างที่คุณยมติวพูดเมื่อสักครูนะ่อ่อนซ้อมเราไปเจอผัดษาที่เราเราไม่ได้ควบคุมผัดษาเราไม่ได้คอยระวงังสมรส ม, มีสติหลุดบ้างนั่นบ้างอา้าว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 ท่านคบที่ฉันได้อ่านพูดทวจนะในเรื่องของอริยศาสตร์จากพระโอษฐ์เนี่ยนะคะในเล่มนี้แล้วก็ได้พูดถึงธรรมะที่เป็นอุปการะแก่อนาปานาสติภาวนาที่บอกว่าเป็นผู้มีความต้องการน้อยมีอาหารน้อยไม่มีความมืนชา ม, มืนชามีสุตตะมากพิจารณาเห็นเฉพาะอยู่ซึ่งจิตอลุดพ้นแล้วาการปฏ<า>ิบัติสมาธิที่ดิฉันกราบเรียนถามท่านอยู่เนี่ย จัดได้ว่าเป็นอนาปานาสติถูกไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นขอความกรุณาให้ท่านช่วยอธิบายนะคะว่าถ้ำต่างๆที่พระพุทธองได้ตรัสนะนะคะห้าประการนี้ว่าจะทําให้เจริญอานาปานาสติได้ดีเนะะี่ยค่ะเป็นอย่างไรคะอันนีเพื่อเฟื้อกันอย่างใดอ่าเป็น<ะ>เป็นเหตุเห ต, เหตุเหตุอย่างเนี่ยอ่าห้าอย่างเนี่ยจริงๆแล้วทั้งหมดเจ็ดอย่างเหตุเหตุทั้งหมดเจ็อย่างเนี่ย จะทําให้การปฏิบัติอานาปานาสติของเราเนี่ยละเอียดลึกซึ้งลงไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นได้เหตุถ้าอย่างนั้นก็คืออะไรเอาอย่างแรกนะเป็นผู้ที่มีอาหารน้อยมีอาหารพอสมควรนะท้องพร่องอยู่เสมอก็คือถ้าเรากินอิ่มคุณยมติวมันก็หลับ น, นั้นเองหนังท้องตึงหนังตาหยอ่อนการประกอบความเพียรในการสังเกตลมหายใจก็จะทําได้ยากนะเอาแค่ว่ากินอิ่มมากๆอ่ะจนเกือบจุกอย่างนี้นะแค่หายใจเข้าออกอย่างยากเลย บางคนโอหกินอิ่มจนเงินก็ตั่งถึงคอหอยแล้วก็หายใจแทบไม่ได้ก็มีนะถ้าอาจารย์คะแต่ดิฉันมีคําถามที่แตกต่างนะคะคือหมายถึงว่าบางทีเราก็รับประทานไม่ได้มากอ่านะคะที่คําว่าว่าน้อยเนี่ยหมายถึงอย่างไรเราก็ยังรู้สึกว่าคือจะเป็นคนที่เอไปทํางานออกไปนอกบ้านกลับมาแล้วก็จะเหลือเวลา มันเขาเรียกอะไรคะหรือเวลาพักผ่อนน้อยใช่ไหมค ะ, ะมาถึงปุ๊บเราก็รีบทานอาหารทานอาหารเสร็จก็ทานไม่มากเราก็ต้องช่วยเวลาทําสมาธิก็สังเกตตัวเองนะคะว่าแน ม, มันยากลําบากแต่ว่าไม่รู้จะปรับยังไงก็ปรับที่อาหารว่าหรือเราจะต้องไม่ทานเลยเพราะว่าก็ินน้อยอยู่แล้วอะไรอย่เงี้ยนะค ะ, ะเรื่องของคนที่ทานน้อยอยู่แล้วเนี่ยก็ก็ดีแล้วนะก็ไปดูเหตุอื่นนะนะเหตุอื่นอื่อทานน้อยต้องต้องเพิ่มอีกนิดนึงว่าใน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 มันก็เลยเป็นอุปนิสัยว่าแม้แต่ในฝันก็ยังอัตโนมัติว่าเป็นอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องเลย <c oughs> อย่างอย่างพระนัานใน <c oughs> สมัยก <c oughs> ุศกาเน่ยนะแม้แต่ฝันเนี่ยก็ไม่มีความคิดเรื่องการพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนแม้แต่ในฝันอย่างพระบวชมาใหม่ๆคุณยมติว๋วพระบวชมาใหม่ๆเนี่ยไม่ได้ฝันว่าตัวเองเป็นพระหรอกนะฝันว่าตัวเองยังเป็นฆราวาไปทํานั่นทำนี่ฝันนั้นในความฝันต้องบวชเป็นหลาย <c oughs> ๆปีอ่ะถึงจะฝันว่าตัวเองเป็นพระไปทํากิจกรรมของพระอย่างเงี้ยนะบางทีมก็เป็นอย่างนั้นเหมื ก็ลองไปทดลองดูนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกๆท่านว่าถ้าเกิดท่านปฏิบัติสมาธิแล้วไม่ค่อยก้าวหน้าขอให้ท่านเพบูลช่วยสรุปอีกครั้งได้ไหมคะว่าปัจจัยทั้งหลายที่จะเอื้อกับการปฏิบัติของท่านนั้นมีอะไรอีกบ้างค่ะอ่าก็ไล่เป็นลําดับและกันจะสรุปให้อย่างแรกก็คือว่าต้องมีกิจน้อยนะเลี้ยงง่ายสะดุดในประการแห่งชีวิตอันที่สองเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีอาหารน้อย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 อย่างคุณยศศรยศกรเนี่ยถูกต้องแล้วนะเจอปัญหานิดๆหน่อยๆเราก็ทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้แหละจ้ะค่ะอย่าท้อถอยและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวัจนะนะคะที่ในวันนี้พระอาจารย์เผบูรและพีปุณโนวัดป่าดอนหายโศกก็ได้มาให้ความกระจ่างกับพวกเราคะ่ะน้อมสักการขอบพระคุณท่านนะคะใช่สุเรนบาแค่ท่านฟังค้าส่วนในช่วงท้ายท่านก็